เรื่องพวกชดินดำน้ำข้อ49สมัยนั้นชดินเหล่านั้นพากันดำลงบ้างผุดขึ้นบ้างทั้งดำทั้งผุดบ้างในแม่น้ำเนรัญชราในราตรีเหมันตะรุดูอันหนาวเย็นเขาหิมะตกอยู่ในระหว่างปลายเดือนสากับต้นเดือนสี่เรื่องภาชนะใส่ไฟครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ทรงเนรมิตภาชนะใส่ไฟไว้ห้าร้อยชุดสําหรับให้ชัดินเหล่านั้นขึ้นจากน้ําจะได้พิงลําดับนั้นชัดินเหล่านั้นมีความคิดดังนี้ว่าการที่ภาชนะใส่ไฟเหล่านี้ได้ถูกเนรมิตไว้คงเป็นเพราะอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยขณะนั้นชัดินอุรุเวลากรสปะคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจริง ถึงกับเนรมิตภาชนะใส่ไฟไว้มากมายถึงเพียงนั้นแต่ไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราแน่